แต่พระราตรีแล้วก็กราบขอรับว่าข้อแล้วก็แล้วกราบคุปตาอาจารย์ทุกทูปเจริญธรรมญาติจบน้ำ ล, ลงเนาะวันนี้ <c oughs> ก็เป็นวันที่3แล้วเนาะเห็น การเมทนากานันอะไรก็คงจะดีขึ้นแต่วันนี้วันที่สองวันที่เมื่อวานวันที่2นี่มันก็จะมีเวทนาบ้างเพราะว่ า, วาร่างกายของเราเริ่มปรับได้แนละ้ววันนี้รู้สึกว่าจะเบากายบ้างเวทนาก็จะน้อยลงบ้างแต่อาจจะยังไม่ ห, ม, หมดวันที่สเนี่ยบางคนก็บางคนที่เข้าใจความรู้สึกตัวที่บางกายบางใจเป็นที่ไม่เครียดมากเกินไปเนี่ย ก็จะเบาบางลงแล้คนที่สำเน็จถ้าแบบคนที่บางใจบางกายที่ถูกบ้างเนี่ยมันก็จะความ่วงอุปสรรคในการภาวนาเนี่ยจะเริ่มเริ่มเบาบางลงบ้างแต่ถ้าคนไหนยังวางกายแางใไม่ถูกคนนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างเพราะว่ามันอาจจะเครียดอาจจะเพ่งอาจจะจ้องไปเพราะว่ามันอยู่ในการเกรงในการร่างกายไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะมีบุญอยู่ แต่คนไหนช่วงระยะนี้มันอาจจะโล่ถ้าวางกายถูกปุ๊เนี่ยวางใจถูกปุก๊เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์แล้วบอกร่างกายของเราก็คงจะสบายแล้วก็จะมีแต่ตอนนี้อุปสรรคของการไม่ใช่การเวทนาละคนไหนที่หมดจากเวทนา <c oughs> เวทนามันก็มีอยู่แต่มันเบาบางมันไม่หนัก แล้วก็นิวรก็จะเริ่มน้อยแต่เปลี่ยนจากความม่วงความหักความรังเลสงสัยมันจะหายไปมันจะเริ่มเบาบางลงแต่มันจะมีแต่ความโปรง่งมันจะมีความโปรง่งมีความเมาความสบายถ้าวันอีกยอาหนึ <c oughs> งน่งเนี่ยอาจจะง่วงก็จะน้อยลงไปแล้ะช่องเนี้ยคพาว่ามันตื่นถ้ากิจของเราครับคนไหนได้เข้าใจความรู้สึกเราเมือคืนเนี่ย อาจจะนอนไม่หลับเนะพราะเราไม่หลับปุ๊บเนี่ยแต่ช่วงที่นอนไม่หลับปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มันชิดนู้นชิดนี่จะหลับหลับหลับไม่บางทีเผลอหลับไปนิดเดียวแต่ให้สังเกตว่าถ้าเราหลับถ้ามันจิตมันตื่นเลยมันนอนไม่หลับพอเผลอหลับไปนิดเดียวตื่นขึ้นมาตาใสไม่ง่วงอันนั้นคือเริ่มจิตตื่นนะจิตมันจะเริ่มตื่นมันจะตื่นรู้ พอมันตื่นรู้ปุ๊บนี่มันจะไม่ค่อยง่วงมันจะไม่หลับแต่เราจะแปลกใจถ้าเราวางใจถูกมันจะเกิดขึ้นง่ายสภาวะเหล่านี้จะปรากฏขึ้นแต่มันตอนนี้ทําเหมือนกับไม่ได้อะไรแต่เวลาไปนอนนอนไม่ค่อยหลับแต่ก็ไม่ได้ทุกข์กับที่นอนไม่หลับบางคนก็วิจตกว่ากลัวจะไม่ตื่นบางทีใหม่ๆถ้ามันเป็นอาการแบบนี้นะถ้ามันที่เรามันเริ่มตื่น ถ้าคนไหนเริ่มตื่นแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บนี่มันก็จะเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วปุ๊บนี่เราก็จะนอนไม่หลับเพราะนอไม่หลับปุ๊บนี่เราก็คิดว่าเราจะไม่ไปไม่ทันจะทำอะไรนู่นเนี่ยนี้มันต่างๆนานาที่มันคิดว่าพยายามอยากจะหลับห่มใจให้หลับกับไม่หลับเหนนะ็นไ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่เราต้องใส่ใจกับเวลาเราจะนอนเนี่ยถ้ามันตื่นอย่างงั้นถ้ามัน เผลอหลับไปปุ๊บถ้ามันตื่นขึ้นมามันไซจะให้มันไม่ง่วงมันไม่ซึมตามันไม่แสบอาการแบบนี้ไม่ต้องกลัวทั้งวันนี้จะไม่ง่วงละมันจะไม่ง่วงมันจะไม่หลับแล้วแต่มันก็สบายบางคนก็จะมีเยอะบางคนก็จะมีหลายวันแต่พอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะตื่นรู้วกออกจากความง่วงความง่วงเฮานอนปุ๊บเนี่ยมันจะออกจากความนี้ แต่มันจะมีความรู้สึกตัวแล้วมันจะขยันใจในี่มันเห็นคุณค่าของความรู้สึกมันจะชอบปฏิบัติมันจะชอบอยู่ชอบมันจะเพลิด ม, มันจะสนุกใจเริ่มสนุกใจเริ่มมีความสุข ก, การเคลื่อนการไหวก็ไม่เมื่อยถ้าเริ่มบคคลคนไหนที่จะกำลังกาลังเ่อมันตื่นปุ๊บเนี่ยกลางวันเนี่ยต่อไปมันก็จะเป็นอารมณ์เหล่านี้แต่ความโปรง่งเบาสบายนั้น ก็เป็นเบอรสักอีกเพราะมันจะทำให้เราทำให้เราไปยินดียินร้ายกับมันแต่มันก็จะมีปีติมาเลี้ยงถ้าช่วงนี้มันจะเริ่มมีปีติมีกายเบาใจเบาเริ่มเดินสนุกไม่เบื่อไม่เมื่อยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอยากกับประคองเราจะเดินถ้าคนไหนเดินแช่แช่อารมณ์ตัวนี้จะเริ่มน้อยลงองีกความปร่งเบาก็จะไม่มี ถ้าเป็นถ้ามันรู้สึกว่ามันเบามันกายขยับอะไรก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าจะสนุกเวลาเนี่ยการเวลาจะสั้นลงแต่เวลาเท่าเดิมแต่มันจะชอบถ้ามันเกิดตัวจิตที่มันจ่องที่ผ่านอารมณ์จากความว่วงขึ้นบมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันได้ตื่นรู้เนี่ยถ้าไม่ได้ตื่นรู้ปุ๊บนี่มันจะโปร่งและเบาสบายแล้วการเคลื่อนการไหว การไปการมาเนี่ยมันจะเห็นคุณค่ามันจะเก็บรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกพอความรู้สึกปุ๊บมันจะเกิดใจเรามีความสุขพอมีความสุขปุ๊บเนี่ยบางคนได้สัมผัสปุ๊บเนี่ยโอ้จะภูมิใจจะยินดีความยินดีอารมณ์ตรงนี้เกิดถ้าเราไปยินดีปุ๊บเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งเกิดการปรุงแต่งคิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้จะเริ่ อ, อืมเสียดายเมื่อก่อน จะคิดพอเราไปสัมผัสอารมณ์เหล่านี้มันจะปรากฏปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเราเสียดายที่เวลาเวลาที่ผ่านมาที่ทำมาบางคนทามาเยอะๆมาเจ อ, เจอปุ๊บนี่ยบางคนถ้าเราคนเก่าที่ทำอย่างอื่นมาก่อนเนี่ยพอมาวางกายมาเข้าขยับเคลื่อนไหวพอขยับเคลื่อนไหวได้ถูกปุ๊บนี่มันจะโปร่งเบาสบายแต่ถ้าวางกายกลางเป็นกลางได้นะมันจะไปได้เร็วมาก ตัวที à, ่มันไปได้เร ph ็วเนี่ยใจเราจะเห็นความต่างของอารมณ์เห็นความชิดบางทีก็ถ้าเราเคยพยายามจะไปเฝ้าดูความชิดเมื่อก่อนที่ถ้าเราเป็นนั่งดูเคยทําไปจับดูความคิดไปเห็นความคิดพยายามดูความชิดเนี่ยแต่ถ้ามาเฝ้าดูกายปุ๊บจะเห็นจิตที่มันชิดแต่เราแก้อยู่ที่กายแต่เห็นใจเป็นชิดปุ๊บใจมันรู้ปั๊บมันจะเริ่มเห็นแต่ เห็นแล้ว <favorite> ป <combination of people> ุ๊บถ the ้ากําลังมันไม่พอหรือถ้าเรายังไม่เราเห็นปุ๊บถ้าเรามีสติไปรับรู้ความชิดนั้นก็หายไปมันก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้พอเห็นใหม่ปุ๊บมันจะสนุกในการดูทั้งกายและจิตถ้าสําหรับคนเก่าเก่าที่เคยทํามาก่อนอย่าไปถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นปุ๊บเราให้เรากลับมาอยู่กับความรู้สึกถ้ายิ่งเห็นความคิดยิ้มเริ่มมีความคิดเกิดเริ่มขึ้นมาอยู่ให้กายให้มาก มาเพิ่มพลังให้จิตมันแลงให้มันคมให้มีพลังเมื่อมีพลังปุ้บมันจะเห็นความเกิดเห็นความคิดที่เกิดขึ้นแรกเรกื่อรู้ว่ามันคิดรู้แต่คิดเฉยๆว่ามันคิดตรงนี้จบจิตคิดจิตสักพักหนึ่งถ้าคิดไปคิดมาถ้ามีสติตัวรู้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยสติมันมีกำลังนะอันนี้คนน่กจากพูดคนเ่องคนใหม่ คนใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเพลินความเพลินความพอมันไม่เคยมันไม่เคยได้จิตใจไม่เคยได้สัมผัสความสุขแล้วมันจะเพลินถ้าหัา ง, ง่วงไปได้แต่วันนี้มันจะเริ่มเป็นถ้าคนไหนเริ่มเดินแล้วเบากายเบาใจเนี่ยนั่นเดินมันถูกแล้วถ้ามันเบากายเบาใจเวทนาก็น้อยลงใจก็ไม่ค่อยคิดมันมีแต่ความรู้สึก แต่ความรู้สึกตัวนี้ปุ๊บนี่มันจะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องพุ๊นี่ดูเหมือนมันไม่คิดถ้าคนไหนไม่คิดก็เดินไปสักพัหนึ่งถ้าเราไปอยู่ในเยวดดบทเดิมๆถ้าเดินและเดินก็เดินอย่างเดียวเดินกลับไปกลับมาอย่างเดียวก็คือเดินเสมอๆเนี่ยเดี๋ยวความคิดมันก็จะมามันจะเกิดความคิดเกิดพอมีความคิดถ้ามันไม่คิด มันบางโหบางครั้งในบางตอนเนี่ยมันจะไม่คิดเลยมันจะเห็นจิตที่ไม่เคยได้สัมผัสพอมันสัมผัสลงปร่งเบาสบายปุ๊บมันจะเห็นความโปร่งโล่งเบาสบายไปเรื่อยๆถ้าบางบางครั้งวังนนี้อาจจะช่วงเช้ามันอาจจะไปถึงตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงมันจะคองอยู่ความโปร่งเบาสบายสักพักหนึ่งมันก็จะหมดนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนการไหวเนี่ยความโปร่งเบาเนี่ย มันก็จะหายไปแต่มีความชิดความโปร่งเบามีแต่ไม่ชัดถึงมีความรู้สึกก็จะมีความคิดเข้ามาแทรกวันแค่พอวันแทรกปุ๊บเนี่ยพอมันแทรกเข้ามาปุ๊บนี่มันจะคิดเรื่องดีว่าโอ้อย่างที่อาตมาบอกว่าเอเสียดายไม่น่าพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถึงพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่ังพระพุทธเจ้าเห็นเห็นความสงบของจิต ขณะนั้นแต่พอมาระยะหนึ่งมันก็จะมีความคิดเกิดขึ้นจะคิดสิ่งหนึ่งที่เราผ่านมานี่แหละเราจะไปยินดีกับสิ่งที่ว่าโอ้ได้เห็นสมัครอุบาอาจารย์อุบาอาจารย์ขอบคุณพระพุทธเจ้าขอบคุณหลวงพ่อเทียนขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มาให้เราเห็นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นบางทีพอคิดเร่งนี้ปุ๊มันก็คิดเรื่องถึงนูน่นปรุงแต่งออกไปข้างนอกกายมันจะเริ่มเห็นเริ่มมีเริ่ม เ, เป็นแบบนี้ไปก่อน ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากให้โป่งร่องเบาสบายเราต้องเปลี่ยนแปลงรักษากายนอกให้มากการตุ้นอยู่กับความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเดินหน้าถอยหน้าถอยหลังเปลี่ยนยีบทถ้าใครสัมผัสปป่งเบาสบายแต่เราอยากไปโป่มเบาสบายเราจะไปไปดูเอาความปป่มเบาสบายนะั้นประคองแล้วนั้นไม่ได้ เพราะตัวนั้นเป็นผลของการภาวนาที่จิตมันอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนการไหวนี้มันตื่นรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันถึงมีผลความโปร่งเบาสบายจิตไม่คิดถ้าเป็นอย่างนี้ให้เรากลับมาอยู่ฐานกายคือเน้นอยู่กับการเคลื่อนการไหวรับรู้เปลี่ยนแปลงพอเราเปลี่ยนแปลงในกายอยู่เรื่อยๆจิตมันมันอยู่กับปัจจุบันขณะนึ่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งมันก็จะส่งผลให้ กิจของเราตัวโปลง่งตัวโร่ตัวโบาสบายนั้นอยู่ได้นานแต่เราไม่เคยเจออันนี้อ่ะทำพอมันไม่เจอปุ๊บนี่ยเราจะไปยินดีกับมันเราจะทิ้งความรู้สึกทางกายกายเคลื่อนอยู่แต่ใจมันไปยินดีพอใจปลุกแต่งความคิดหลังจากความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะคิดงิุนคุณแบบ เริ่มจะเริ่มเห็นครูบาอาจารย์จะเริ่มรู้สึกบอกพี่บอกน้องอยากจะโอ้เห็นจะมาโทษจะจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านมาถ้าคนในปฏิบัติทำ ม, มามากๆพอมาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเสียดายเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราเห็นเอารู้อย่างนั้นปุ๊บเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกสิ่งของนี้เดี๋ยวมันก็หายไปเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มี แต่ถ้าเรากายเบากายเบาใจเวลาจะสั้นลงแต่เวลาเท่าเดิมแต่ใจของเราไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเวลามันจะสนุกในการภาวนาแนละ้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้ต่อไปเนี่ยมีใครไปให้ทํางานเสียดายเวลาโอ้ยจะไปนู่นไปนี่ก็เนนสียดายแต่ของนั้นมันก็เสียดายจะไปนู่นไปนี่ก็เสียดายกันการเจริญสติอย่ในรูปแบบมันจะขยันในตัวมันเอง ถ้ามันรู้อย่างนี้บ่อยๆถ้ารู้ถ้าสติของเราตามดูตามรู้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมากเข้ามาเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นแต่มันยังไม่ใช่เป็นเท่าอ่อนนะเบากายเบาใจกายรู้กายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวเนี่ยทั่วพร้อมมันได้รู้เห็นกายในกายแต่มันไม่สนใจในก็ถ้าเราผ่านมันไปได้มันจะเห็นกายเคลื่อนใจรู้๊ ใจปั๊บจะปุบางทีนี่อาการของกายกับเพื่อมปุ๊บปั๊บมัมมัมมถ้าไม่มีตัวนี้ปุมีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจิตถ้าม่มีความสุขเข้าไปแทรกความยินมันจะมีจิตบางครั้งคนลุกบ้างคนพองบ้างบา ง, บางทีมันไปคิดคําพูดคําสอนปรากฏขึ้นคําพูดของครูบาอาจารย์หรือคําสอนพระพุทเจ้าพูดสัตจธรรมลึกลับเกิดขึ้นที่เราจําได้ปุ๊บมันขึ้นในสมองเราปุ๊บ โอ้คำนี้มันก็เกิดปิติเกิดขนลุกขนพองบ้างบางทีก็ตัวร้อนบ้างหน้าตาล้อนโผล่เห่าอย่างเนี้ยแล้วใจเขาก็มีความสุขแต่ออกร้อนหน้าออกร้อนตาเหมือนกับเหมือนกันยังไงแต่มัน ม, มีความสุขมันจะเป็นไข้แต่ก็ไม่เป็นไข้อาการเหล่านี้เป็นปิติถ้าเป็นไปปิติเข้าเป็นอย่างนี้ปว๊บโดยอย่าไปสนใจมัน ถ้าการเดินจงกรมสร้างจังหวะถ้าไม่มีตัวนี้ไปหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ขยันถ้าเราทาอย่างนี้ปุ๊บมันจะเดินมีแต่จใจเพราะมันมันจะกลัวเสียเวลามันจะทำให้เราขยันในการภาวนาเราจะไม่เบื่อไหนในการภาวนาเราจะเสพแต่การภาวนาตื่นอย า, ากจะเคลื่อนไหวถ้าหยุดเคลื่อนไหวปุ๊บเหมือนไม่ได้ปฏิบัติมันจะเริ่มใส่ใจกับเห็นคุณค่าของการเคลื่อนการไหว เห็นคุณค่าของความรู้สึกถ้าเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะไปเห็นความรูปน้ำโดยสภาวะคือสภาวะที่จะเข้าไปสัมผัสรูปกับน้ำเนี่ยตัวรูปน้มของกายกระใจไม่ใช่ความนึกคิดเข้าใจแต่จิตมันไปสัมผัสสภาวะสภาวะหนึ่ง ถ้ามันไปสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันสรุปว่าออหอบางคนเนี่ยบางคนก็สัมผัสมันจากจิตมันจะไปสัมผัสเองจิตมันสรุปตึงเองโอ้นี่อ๋อนี่รูปอ๋อนี่นาไม่ใช่ว่าคิดเจอนะมันเป็นสภาวะจิตบางคนเจอรูปนามไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองเจอรูปนามแต่ถ้ามันเจอรูปกับนามปุ๊บเนี่ยมันจะ เ, เกิดปัญญาละ ถ้ามันมีสดุดมีปรากฏประการเกิดขึ้นเนี่ยอตาตมาอย่างเช่นอตาตมาเจอเนี่ยที่แรกอตาตมาไม่รู้หรอกที่ไปเข้าไปสัมผัสทำแค่รู้สึกตัวเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างเดียอตาตมาพอมันผ่านไปทําต่อเนื่องต่อเนื่องมันไม่นานอตาตมาทําเดือนเดือนกับเดือน ก, กว่าเองแต่การที่นาธานทำเนี่ยมันจะโปร่งเบาสบายมาตลอดนะมันไม่ใช่ว่ามันจะรู้ง่ายๆเราก็เดินเนี่ย เราจะโปงเบาสบายเดินเบากายเบาใจเดินตลอดมันก็ขยันเวลาที่อาตมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยอาตมาจะเม้แต่เข้าห้องน้ําก็อยากเข้าเลยเสียงว่าค้างพุ๊โอ้เสียดายมันจะเดินถอยหน้าถอยดังเดินไปเดินมายกมือสักอย่างแบบไม่เคยเบื่อมันจะสนุกมันจะเพลินมันจะพอทําไปประมาณเดืนเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนกว่าๆเริ่มเห็นความใจเริ่มสบายเริ่มเริ่มมีอะไรปรากฏขึ้นแก่ใจของเรา ปีติก็เลี้ยงใจเดี๋ยวก็บางทีก็มีความสุขเกิดขึ้นเบาๆแผ่วๆบางทีก็มีเดินไปเดินไปปุ๊บขนลุกบ้างบางทีตัวร้อนเผาวบ้างแต่ใจมีความสุขใจไม่เบื่อหน่ายพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่มันไปนสะดุดปุ๊บนี่ว่าขึ้นเลยอย่างเช่อนอนตาตมา ม, มันจะไม่เหมือนกันนะแต่อตาตมามไม่รู้นะอนตาตมามจะเล่าให้ฟว่าตอนที่เราเจอรูปน้ำเนี่ย อารมณ์เดินไปเดินไปมันโปร่งมันโล่งมันสบายมันสรุดปุ๊บพอมันสรุปปุ๊บนี่หัวสภาวะของกายอาตมานี่หัวอาตมานี่เงียบสงัดนิ่แล้วมันระเบิดพุ๊บขึ้นมาไลยหัวนี่มันจะดังจัดเหมือนแต่ว่าเราลมออกมันเป็นมันเข้าทางนี้แหละมันดังเสียงดังมันกระแสมาจากไหนยังไงไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันมีเสียงจี๊ดเข้ามาเข้ามาหูด้านนี้ มันระเบิดออกด้านนี้มันมีคำอุทธธานออกมาว่าโผไม่ใช่ไม่ใช่โผที่คนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราแล้วหัวมันจะโลว่ว่าขึ้นมาไลยคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราแล้วมันจะมีคนสองคนอยู่ในใจและสามคนที่สามเข้ามาคนพอค น, ค น, นอคนหนึ่งบอกคนนึงถามคนนึงตอบคนนึงถามคนหนึ่งตอบคนนึงถาม มันจะปรากฏขึ้นเลยนะมันจะปรากฏขึ้นมันก็ถามว่าคนไหนเห็นนำคนนั้นเห็นเราคนไหนเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมไอ้ตัวนึงไอ้ตัวคนเสนอขึ้นมาตัวนี้ปุ๊บเอ๊ะตรงก็ถามว่าใครเราที่ไหนเอ๊ตัวนั้นคุณบอกเราก็คือตัวเรานี้เราเห็นเรากำลังนึกกำลังคิดเนี่ยการเป็นอยู่นี่ไม่มีใครเห็นเรา ไม่ใช่เห็นพรูพรูป่รอไอ้ตนุไม่ไปถมมันไอ้ตนุบอกว่าไม่ใช่จะเริ่มถามตอบถามตอบถามตอบถามตอบพอเราถามตอบอสร็จปุ๊บเนี่ยสภาวะเหล่านี้มันจะมีคนหนึ่งคนที่สามเนี่ยมันจะเดินมาฟังอยู่ข้างหลังจะเอาประโยชน์อีไอไหนถูกอันไหนผิดอ่ไอสองคนเถียงกันไอตัวนี้แต่เราไม่รู้นะมันจะเถียงกันอยู่ตลอดเวลามันจะตอบถามตอบถามมันจะถามมันตอบถามตอบถามตอบ คนไหนเห็นทําคนนั้นเห็นเรามันเป็นแล้วก็พอถามจบข้อมูลตรงนี้ปุ๊บคามันเขาก็จะบอกเขาจะถามตอบเดีกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคําเหล่านี้มันปรากฏแต่ละคําแต่ละขึ้นมาปุ๊บไอ้ตัวนี้ว่าไปถามอีกใครรู้ใครตื่นใครเบิกบ้านอะมันก็จะบอกว่าผู้เราก็รู้ว่าเราตื่นจิตตอนเนี้ยเราตื่นดัเราตื่นแล้วเร า, า, เราง่วงใครเห็นเราบ้าง มันก็ถามว่าคนอื ong, ่นเห็นเราไหมไม่เห็นเราเห็นตัวเราเองกลางว่วงร้องซึมตอนนี้เราเห็นตัวเรียรู้เปล่าว่าเราง่วงหรือเปั่าเราซึมไหมเนี่ยตื่นเราตื่นออกจากความคิดความบงสร้างความเชื่อมั่นเราตั้งหรือยังใจเบิกบานใครเป็นใครเบิกบานใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนเห็นมันถามเอ้ยบนก็บอกเรานั่นแหละเป็นคนรู้เป็นคนเห็นไม่มีใครเห็นเราเท่ากับตัวเรา เราจะรู้ตัวเราเองมันถึงว่าโอ้พระเจ้าสอนเนี่ยมันจะเริ่มแล้วตอนนี้ภาวะเหล่านี้จะปักปกนัพอมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บนี่โอค้คนเอ่ยมีถามมีตอบพอทักเข้าใจเสร็จว่าโอ้เข้าใจในธรรมตรงนี้ปุ๊บใจมันก็กระยันยิ่งทำพวกนี้มันก็ถามแล้วตอนนี้พอเห็นปุ๊บนี่จะเกิดปัญญาแล้ว มันจะฟังมันจะรู้คําสอนคําเทศคาไหนมันผลขึ้นมามันจะบอกมันจะเทศให้ตัวเองฟังนะมันจะรู้มันจะเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจแล้วผมจะปรากฏนอย่างบางอย่างที่เราเข้าใจกับเราฟังเราเข้าใจว่าเออพระเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้อันไม่ใช่มันจะผลขึ้นเออมันก็ใช่ตามพุทธเจ้าอย่างูบาอาจารย์เทศเมื่อก่อนเราจําเอาใช่ไหมแต่พอมันพูดขึ้นมาให้เราฟังเนี่ยมันคน มันจะเหมือนพระพุทธเจ้าพูดคำลูนแปลทําเวลาเราเวลาเราไปสวดมนต์เนี่ยแต่ละคําแต่ละคาแปลออกมาเนี่ยความหมายมันจะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นปรากฏเราจะรู้เท่ารู้ทีสิ่งที่ในหนังสือเนี่ยมันปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นพอปรากฏขึ้นก็ยินดีกับมันพอยินดีเราก็เพลินเราก็เดินอะไรตัวหนึ่งก็เดินตัวเดินก็เดินตัวชิดตัวเทศให้ตัวเองฟังก็คอยมี รู้นั้นรู้นี่รู้ไปรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเพลอก็ผลไม่ได้บางทีมีเพื่อนมาคุยมันยังแอบคิดเลยมันยังพูดขึ้นเลยมันมันมันยามันผลขึ้นบุตเราก็เพลินกับมันพอได้ไปพวกนี่จะสําคัญมันหมายว่าตัวเองมีความสุขเออได้ธรรมะแล้วเข้าใจบางทีมุกอัตมาเนี่ยเป็นคนที่โงกไม่ค่อยได้หนังสื่อเนาะก็ไม่ได้อ่านจําไม่ได้บอคุบาอาจารย์ เทพเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเราะมันเกิดขึ้นในใจเร า, เ ร, ารู้เนี่ยเอาไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังเขาก็าว่าเราว่ามากคือเป็นวิปัสสโนกินแต่เนเมื่อวิปัสสโนเกิดขึ้ น, นแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ไปอวด น, นะแต่เราคิดว่าเรามันมันใช่หรือไม่ไปถามคกูบาอาจารย์ไปถามกูไปถามกูนุ่นไปเล่าไปแต่มันจะพอมันเข้าใจเอาไปถามเขาวแล้วเขาก็บอกว่าใช่ใช่ กูบาาจารย์ก็บอกเออให้กลับมาอยู่ความรู้สึกเมื่อเรากลับมาอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยพอเรามาอยู่กับความรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มอยากจะให้คนอื่นมันแรงนะโยงสภาวะเหล่านี้มันจะปรากฏมันอยากชวนพี่ชวนน้องค น, คนนู้นคนนี้มันอยากจะทํามันจะเริ่มอยากเป็นอาจารย์เองแล้วนะเริ่มมีภาวะมีสภาวะเนี่ว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแล้วนะเริ่มมีเพราะมันปรากฏขึ้นในใจของเราเสมอ เพราะอะไรเพราะความเพียรเราน้อยแต่พอมันสัมผัสปุ๊บนสภาวะเหล่านี้มันปรากฏถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ายอมเป็นอย่างนี้ปุ๊บให้กลับมาความรู้สึกและตัวนี้มันจะปรากฏถ้าได้อารมณ์นะทำยังไงที่จะเข้าไปถึงจุดนี้แต่ถ้าคนใหม่จะง่ายคนเก่าจะยากหน่อยเพราะคนใหม่เนีพราะเขาส ด, สด เหมือนอามามาแบบไม่ดิบๆเลยพอมาปุ๊บมาพี่เข้าใจยกมือมันก็เป็นพอเข้าไปปุ๊บมันก็สัมผัสเลยมันสัมผัสตรงๆพอมันสัมผัสตรงๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการเวลาเนี่ยอาตมาใช้เวลาไม่นานแต่มันกว่าพอรูปนามพอเข้าใจรูปนามไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเพลมันจะสนุกมันประมาณนั้จากอาตมาเข้ามกกลามารู้สึกของพ่อเทียนวันที่ห้ามกกลา แล้วอาตมาไปทำอยูน่นี้สิบห้าวันอาตมาถึงกับพลิกมือขึ้นอยู่สิบห้าวันแล้วค่อยเข้าไปเจอสุดสัยงานลงพ่อเทียนวันที่ยี่สิบมกราสี่หกแล้วก็ ม, มีนาอาตมามาสัมผัสตรงนี้มีนาต้นปีนากุมภาเนี่ยปลายกุมภามันจะเห็นมันเห็นความต่างแล้วพอเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ย พอเป็นผ่านตัวนี้มาเนี่ยอาจะมาไปทำไปเรื่อยไปทําด้วยมันไปเจอสภาวะของอารมณ์ของรูปจากสภาวะตัวรูปนามทำต่อเนื่องมีความเพียรใจตอขนานั้ น, นมันจะเห็นคุณค่าของความเพียรมากตอนอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้ทำร่ปทำนี่เสี็อ่ะให้ไปทำรูไมไปได้แม้แต่กวดลานวัดลานอะไรู๋เนี่ยมันไม่อยากจะทามันเสียดายตอนแรกเรายังไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกตัวแบบนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าการความรู้สึกตัวแต่เราคิดว่าตัวรู้สึกตัวอยู่ที่รูปแบบอย่างเดียวมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งๆที่มันไปข้างนอกมันก็รู้อยู่แต่ว่าเราคิดว่ามันต้องอยู่ในรูปแบบอย่างเดียวเราเสียได้พอเผลอปุ๊บเดินเข้าจงกลมเลยพอเผลอปุ๊บบางเผลอบางปุ๊บถ้ามัเห็นปุ๊บไปเห็นอยู่ในจมกลมล้วถ้าทํางานเผลอปไปเข้าทางเก็บกลมเสียดามันมันทําอย่างนี้ประมาณทศสิงหา วันที่สิบเอ็ดสิงหาปุ๊บเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นโยภาวะเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นเมื่อมันปรากฏขึ้นปุ๊บนี่มันจะมันก็มีอาการอีกอาการหนึงจิตมันจะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยแม้แต่เพราะว่าโพธิอธรรมก็จะไม่รู้เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยแต่มันปรากฏขึ้นในใจของเราเองปรากฏอันนี้ช่วงช่วงต่อที่มันเกิดรูปนาม อารมณ์ของรูปนามสภาวะเหล่านี้มันจะปรากฏเองให้จิตมันเดินไปสัมผัสเองแต่พวกเราถ้าคนฉลาดคนอ่านมากจำมากมันก็จะเปรียบเทียบมันก็จะไปยึดมันก็จะไปคิดเอาเองสารภาพสภาวะเนี่ยมันเป็นสภาวะไม่ใช่ความไม่ใช่ความจำจิตมันไปสัมผัสมันเข้าไปเองของมันเอง น, นี่คือการถ้าการวางใจวางใจที่ถูก มันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เส้นทางของมันจะเป็นแบบนี้อัตมาพูดอัตมาเดินอัตมาส่มากจะพูดเรื่องของตัวเองมันลงข้อเทียนเพราะราสภาวะเหล่านี้มันปัากว่าเมื่อมันสภาวะเราจะพูดเห็นสภาวะเราจะมั่นใจในสิ่งที่เราพูดแต่บางบางครั้งความรู้เราน้อยนั่นอาจจะไปเบียดเบียนสิ่งเพราะเราไม่คิดไม่ทันเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ฟังสิ่งอื่นมากเราก็เห็นมั่นใจเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกัน นะอันนี้มาเขาพูดในเรื่องตรงประสบการณ์แล้วการอารมณ์ที่ที่ผ่านมาวันนี้มันอาจจะเจอสักคนหนึ่งถ้ามันมีความโปร่งเบาสบายถ้าคนใหม่มันอาจจะสัมผัสตัวนี้ได้ง่ายถ้าคนเก่าเนี่ยกว่าจะถ้ามันสัมผัสได้มันจะไปได้เร็วคนเจ้าเก่าเนี่ยช้าแต่เร็วแต่คนใหม่เร็วจะช้า เป็นเพราะอะไรทำไมคนใหม่ช้าทำไมถึงเร็วแล้วคนคนใหม่ทำไมเร็วทำไมถึงช้าก็เพราะว่าคนใหม่มันไม่มีสมาธิพอมาเจริญสติตัวนี้มาเจริญปัญญาถ้าการวางใจวางกายถูกปุ๊บสมาธินี่มันน้อยปัญญามันเยอะ พอวันสัมผัสมันมีได้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันจะหลงปัญญาตัวเองมันเขาก็จะว่าเป็นวิปัสสนูตัวนี้มันจะปรากฏเลยถ้ามันสัมผัสรูปนามได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้มาแทนมันจะติดภูมิรู้ตัวเองมันจะติดเพราะกําลังสติมันไม่พอสมาธิมันไม่เน่นสติมันไม่พอพอสัมผัสปุ๊บเป็น สิ่งที่มันรู้มากกว่าที่มันกำลังเหมือนกับตงพ่อเทียนมันแมวกับหนูอ่ะหนูตัวเล็กอ่ะมันก็เลยภาวะที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันลากไปแล้วก็ไปเย็นดีกับมันกกว่ามันจะผ่านไปได้กว่าจะมีกําลังเนี่ยกว่ามันจะกลับมาอยู่กับตัวเองได้มันใช้เวลานานแต่ว่าคนเก่าล่ะยากแต่เร็วช้าแต่เร็ว เพราะยากเพาอะไรเพราะยากเพราะเราฟังเยอะเราเรียนรู้มาเยอะเราก็เปรียบเทียบเราคิดเอาเพราะเราคิดเอาเราสําคัญมั่นหมายในสิ่งที่เราคิดคิดว่ามันใช่พอสัมผัสนิดนึงก็ว่าใช่เปรียบเทียบพอเปรียบเทียบปุ๊บมันก็หมดแต่เปรียบเทียบไปมีข้อกับความคิดความที่มันเห็นมีสภาวะรองรับหน่อยนึงมันก็ไปเปรียบเทียบอยู่ขั้นยกตัวเองขั้นอยู่ขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นนี้บางคนก็บอกว่าตัวเองอยู่ขั้น การเอาน้ำนาคามี น, นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะมันจะละถ้าถ้าเราเจอรูปนามปุ๊บเนี่ยความโกรธความพอใจเนี่ยมันจะน้อยลงเลยมันจะเริ่มมีเห็นมันจะหยุดเบาบางเริ่มเบาบางมันเองโดยธรรมชาติถ้าแค่เรารู้สึกเฉยเฉยนะ ไ ม, ม, ม่มได้ไปจัดการไม่ต้องไปเออทําไมต้องเป็นเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไม่มีพอเข้าอยู่กับความรู้สึกตัวปุ๊บกระทบปั๊บมันจะตัดปุ๊บมันจะเฉยมันจะจืดค่อยจืดไปจืดไปมันจะรู้สึกว่าเห็นความต่างของจิตแค่เจอรูปกับนามเฉยเฉยเนี่ยใจมันจะเริ่มเบาจากความโกรธความไม่พอใจความแต่มันยังไม่หมดแต่ว่าจากเคยหนักเต็มร้อยเนี่ยมันจะเหลือยู่ประมาณสักเจ็ดสิบได้หสิบประมาณแต่ก็ยังมีอยู่ แต่ความเบาบางมันจะลงนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเบาบางมันจะลงไป เ, เรื่องถ้าวางไกลวางไกลถูกแต่ถ้าบอกคนใหม่ว่าเราอยู่ถึงขั้นนั้นขั้นนี้ปุ๊บเนี่ยเราละความโกรธได้ไหมความโกรธเบาบางไหมถ้าโกรธเบาบางลงนั่นคือเราสิ่งที่เรารู้ใช่แต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่า มันมีอะไรแหละเป็นชั้นชั้นชั้นอยู่อารมณ์ระมาฐานเนี่ยสภาวะของธรรมเนี่ยมันเป็นชั้นชั้นอยู่แต่ถ้าความเพียนความรู้สึกตัวเราไม่ชัดความเพียนเราน้อยตัวรู้สึกตัวมันน้อ ย, ยมันก็มีอุปสรรคทั้งทั้งคนใหม่และคนเก่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าจิตไม่เรียนรู้ไม่ได้เห็นความผิดเบีของตัวมันเอง มันก็ไม่ยอมจางคลายมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราจะทำยังไงจเจริญสติยังไงให้สติมันมีกำลังพอที่จะไปแยกแยะผิดถูกตัวที่จะเป็นผิดเป็นถูกไปแยกแยะไปผ่านพ้นสภาวะเหล่านี้ได้ก็คือความรู้สึกตัวตัวเดียวทำให้สติมันแหลมมันคมพอสติมันแหลมเพราะปุเนี่ยมันก็มีสมาธิ พอมีสมาธิสติสมาธิปัญญามันจะปรากฏขึ้นทําตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยมันจะเกิดมันจะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นแล้วมันจะไปแยกแยะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแก่จิตมันเป็นสภาวะเ่านั้นสภาวะปรากฏขึ้นใจจิตใจนั้นมันปรากฏขึ้นแต่เราต้องใช้สภาวะความรู้สึกตัว เอาตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้มันมากให้มันแหลมให้มันคมให้มันชัดเพื่อจะไปถ้าเปรียบเหมือนไฟฉายไฟฉายกับสปอรตไลท์เราต้องทำให้ไฟฉายเนี่ยมันก็เห็นใกล้ๆก็เห็นหนอยู่ก็มันก็มองเห็นอยู่แต่ถ้าสปอร์ตไลท์ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นอะไรได้กว้างมันสว่างไปหมด สติเนี่ยให้มันแหลมผมให้เกิดเหมือนให้มันสว่างเหมือนบให้มันแหลมคมให้มันให้มันสว่างเหมือนสปอตไลท์มันถึงจะรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตมันต้องไปถึงขนาดนั้นแต่ตอนนี้ใจของเราการภาวนาเพื่อจะมาหาแสงไฟพอแสงไฟจะเจอแสงไฟเจอได้ไปฉายได้ไปฉายแต่ไปฉายที่แบบเมื่อก่อนไฟฉายมันใช่ฐาน มันจะหลีใช่ไหมพอเปิดปุ๊บมันจะแดงๆเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมีไฟฟ้าปุ๊บมันเป็นยังไงหมอเทียนอีกแบบหนึ่งใช่ไนะหมหัอเทียนเบมือนเมื่อก่อนมันจะเป็นหัวปุ้งป้งแล้วก็จะสีแดงๆหน่อยพอเดี๋ยวนี้มันจะพัฒนามาเรื่อยๆจิต ข, ของเราก็จะพัฒนาตามเหมือนกับไฟฉายแต่เมื่อก่อนมันเป็นแค่แสงแดงๆหน่อยก็เห็นสว่างอยู่ พอมีความเพียรมีรู้สึกตัวเยอะๆมากเข้ามากเข้ามันก็จะมากขึ้นเหมือนกับตอนเนี้ยต่อไปมันก็ตอนนี้มันมันมีไฟฉายก็แสงไม่ไม่แดงแล้วนะมันจะแสงสว่างแสงนวลแล้วใช่ไหมสว่างขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมพอแสงสว่างไปปุ๊บเด๋นไม่มีพอมันมากขึ้นมันก็จะเป็นสปอตไลท์ถ้ามันสว่างเหมือนสปอตไลท์ปุ๊บเนี่มันก็เหมือนกลางวันใช่ไหมกลางคืนก็เหม่อมืดมันจะหายไป อันนี้ก็เหมือนกันการเจริญสติภาวนาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเข้าไปถึงจุดนั้นตอนที่เรามาทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าไปเชื่อในสิ่งที่มันเป็นอยู่อาตมาที่เดบอกว่าที่มันกว่าจะมันจะสว่างไปได้ก็จะเข้าไปถึงจุดนั้นได้มันมีอุปสรรคเยอะแยะเพื่อใจ่ายญาติโยมเนี่ยต้องกลับมาเพราะทําไมสัมผัสเราเห็นสภาวะมันเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าตัวเองมันรู้รำนะ เข้าใจในธรรมนเห็นขบวนการเห็นเส้นทางเข้าใจเส้นทางมันเป็นแบบนี้เราเดินมาเราเห็นเราพอเห็นปุ๊บเราเข้าใจปุ๊บเดินไปมันก็เจอเจอแบบเนี้ยพอเจอแบบนี้ก็เลยอยากแต่ว่าเออสิ่งเหล่าเนี้ยมันผมว่ามันคือความรู้สึกตัวคือหน้าที่ของเรามาทําแค่ความรู้สึกตัวกายกายใจเนี่ยกายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้ตอนแรกเราก็ตั้งตั้งอยู่ พอเริ่มมันจะเป็นเองมันจะเริ่มมีการเคลื่อนการไหวการไปกันมาสัมผัสรู้สัมผัสรู้แล้วบ้างมันก็จะกลับเข้ามาตัวรู้ตัวพอกายกับใจอยู่แนบแน่นในการนี้เมื่อไรเนี่ยมันจะเริ่มเป็นปัจจุบันกายกับใจโดยที่ไม่เบียดเบียนกันและกันกายเคลื่อนใจรู้โดยที่ใจไม่ไม่เบียดเบียนกายกายไม่เบียดเบียนใจถ้ามันเป็นสอบคล้องกันเป็นหนึ่งได้เนี่ย เป็นอันเดียวกันได้เคลื่อนไหวใจทํางานสอดคล้องกันขณะนึงขณะนึงขณะนึงเนี่ยตรงนั้นน่ยมันจะเป็นปัจจุบันนัธรรมขณะจิตมันจะเป็นขณะนึงขณะนึงขณะนึงเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวมันจะเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะโปรงเบาสบายแล้วเราจะสนันมันก็จะมีความสุขในการภาวนาแล้วมันจะไม่เบื่อหนายมันจะไม่ทิ้งความรู้สึกตัวเลยถ้าเรามันอยู่กับความรู้สึกตัวบ่อยๆ วันนี้มันจะเจออะไรจะเป็นอะไรมันจะโปล่มันจะบอกมันสบายก็พยายามกลับมาความรู้สึกตัวอยู่กับกายเคลื่อนไหวนอ ก, นอกเพราะตัวนอกนอกี่เป็นกำลังเป็นฐานเพื่อจะสง่งให้สติมันมีกำลังแหลมคมเพื่อจะไปสลายเข้าไปดูเข้าไปรู้ตัวนั้นอย่างแก่มแจ้งแล้วเราจะไม่ได้ไปติดมายาของสิ่งที่มันปรากฏขึ้น สิ่งถ้าเข้าไปจุดนั้นเราเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยอาตมาเม่ออนอาตมาติดมันเยอะยินดีกับมันอยู่หลายปีกับสิ่งที่มันเห็นพอราดับหนึ่งปุ๊บเนี่เราเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันไม่ใช่เราแค่สิ่งที่ถูกรู้เฉยๆถ้าเป็นเราหน้าที่ของเราแค่รู้สึกตัวอยู่ที่กาย นี่สำคัญที่สุดมีกําลังที่สุดดีที่สุดที่พึ่งได้ที่สุดสิ่งนั้นเกิดขึ้นแค่อาัยผ่านไปแล้วอาศัยระดึกมาเล่าสู่ญาติโยมฟังเฉยสิ่งที่แก่นสารจริงๆคือความรู้สึกอยู่กับกายอยู่กับใจของเราเนี่ากายนรับรู้นี่ดิ้นกระดกขึ้นกระดดดลงปากขยับมือขยับ เท้ากับหยักสัมผัสสิ่งเหล่าเนี้มันจะมีความสุขความอิ่มเอิบความใจกายเคลื่อนกายสัมผัสกายทําอะไรมันรู้หมดเนี่ยมันจะเพลิดเพลินเกิดอยู่ตรงนี้มันมีความสุขอยู่ตรงนี้ใจมันก็จะเกิดขึ้นเองขอให้ยอมกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวตัวนี้แต่วันนี้มันจะมีภาวะตรงที่มีอะไรก็ช่างจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าทิ้งกายยมจะเป็นสัมผัสเองถ้ายมสัมผัสยมอย่าทิ้งกาย วันนี้อาจจะมีอะไรสงสัยไหมในการภาวนาเมื่อวานวันนี้ถามได้นะตาจอยเป็นยังไงยังง่วงอยู่เนาะทําไมมันง่วงเพราะอะไรเวลายก ม, มือสักอย่างหนตั้งใจไปไหมแต่ว่ามันง่วงยังง่วงอยู่ใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยตังวง่วงเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์กรรมฐ า, านนะ ถ้ามันยังง่วงอยู่เราต้องมันเป็นสภาวะนะมันเป็นนิวรณ์ถ้าเราในอย่างหนึ่งตาจ่อยก็ไปอยู่ที่นั่นเป็นแกก็เป็นพลคุณบริพอนเนาะมีสํานักลูกชายมีสํานักก็เลยไปอยู่ก็มีวิ่งนู้นวิ่งนี่ไม่ได้ค่อยได้ทำพอทำจริงจริงมันก็เลยเกิดการนิวรณ์มันก็ร่างกายมันก็เหนื่อยบ้างแล้วก็จิตมันก็ไม่ยังไม่พออีกวันอาจีวันนี้ มันบางคนถ้ายังไม่ผ่านก็อย่าผ่านวันนี้แล้วพวกนี้ก็จะดีแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ชีวันอายู่ให้จบเนาะถ้าได้มันก็จะดีมันจะผ่านไม่ได้ถ้าผ่านง่วงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊นี้เรามาอยู่กับความรู้สึกเราทนเอาตอนเนี้ยเราฝืนนะเปลี่ยนแปลงไปไปเดินถายหน้าถอยหลังถ้ามันรู้สึกว่าเดินมันเบาๆเนี่ยมันบอกว่าว่าไม่เมื่อยไปนั่งสร้างใหม่หนี่งเคยสร้างแกงหวายเถอะถ้ามันบอกว่าเมื่อยให้นั่งสร้างแกงวานั่นคือมันหลอกให้เราไปนั่งละ พอนั่งปุ๊บมันบอกว่าเออพอนั่งปุ๊บเนี่ยสบายพอสบายปุ๊บใจมันก็จะเริ่มไม่ยกมือแล้วนะมันจะดับตาให้โอ้มันแสบตาเนี่ยหน่อยถ้ามันมีอาการแสบตาเนี่ยนั่นคือมันจะหลับแล้วนะถ้ามันไเมื่อยๆก่อนๆพอไปนั่งปุ๊บรู้ว่าพอหลับตาปุ๊บมันเบานี่ถ้ายมหลับตาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสุขเริ่มเบาๆเ่มเริ่มมีเบาๆนั่นคือมันจะทําให้เราหลับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊ยมลุกขึ้นเลย อาการเหล่านี้ลุกขึ้นขยับตัวเลยหนีเลยพอขยับตัวปุ๊บพอเราเปลี่ยนออกจากนั่งมาลุกมาเดินมันก็หายพอเดินไปเดินไปอีกล้มเมื่อยเมื่อยเมื่อยก่อนมันก็อยากลไปอีกอยากไปนั่งอีกพอนั่งอีกก็หลับอีกจนกว่าถ้าอยากนั่งตามันไม่แสบแล้วมันก็ไม่เมื่อยทามันไม่ล้าถ้าอยากไปนั่งตอนที่เราเหนื่อยเราอยากนั่งเราอยากพัก ยาพักเอาจนเดินให้มันผ่านถ้าผ่านปุ๊บไปนั่งมันก็จะไม่หลับแต่ถ้าเราพอไปเดินปุ๊บเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปปุ๊บนี่ยคนส่วนมากพอขาเมื่อยพอลา้ลาๆพุ๊บเนี่ยนั่งพักผ่อนสักหน่อยพอ ห, อ ห, ห็เบเปุ๊บเนี่ยนิดเดียวมันก็เอานะนิดเดียวมันก็เอา พอนิดเดียวพวกมีขาดทุนแล้วนายโยมทั้งที่เดินมาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ยกลับไปแค่นิดเดียวขาดทุนเลยถ้าเป็นอย่างพวกท่านโยมเดินให้สังเกตดูถ้าเดินแล้วมันมันเมื่อยขามันอยากนั่งอาอ้าวฝืนชนะทวนตัวนี้จนกว่ามันหายเมื่อยจนกว่ามันหายอยากหลับตาถ้าตาจับแฉะมันเมื่อยบางทีมันบอกว่าโอ้ลงพัตา อ่ามันจะบอกนะตาจับแซมหน่อยมันบัพัดตาไปพักสักหน่อยเนี่ยมันมีอุบายเข้ามาเนี่ยเราพอปุ๊บเนี่ยยกมือไปเนี่ยตับข้ามืออย่างยกมือข้างอย่างนี้เลยนะมันก็เลยนั่งอย่างงี้ปุ๊บหลับเลยนะถ้าอย่าไปถ้ามันเป็นแบบนี้พวกนี้โยงให้ถอนมาให้เปลี่ยนเดินฝืนเลยถ้ามันยังไม่ผ่านนะเดินจนมันหายความเมื่อยนะหายเมื่อล้าหายเสร็จ ก็ค่อยไปนั่งถ้านั่งปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าเบาๆรู้สึกเบาเสังเกตว่าเออมันเริ่มเบาเมันเริ่มแบบตาแสบแสบต้องหลับตาสัหน่อยที่มันจะเห็นถ้ามันตามันหลับปุ๊บเนี่ยยาเลยตื่นขึ้นลุกเลยเปลี่ยนทยาบทปุ๊บมันก็ตื่นอีกสักพักหนึ่งเราทําเำนนนั้านๆอีกสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นอีกจนกว่ามันไม่มีอาการเหล่านี้มันถึงจะเป็นผู้ตื่นพอพันผ่านได้วันนี้ปุ๊บเนี่ยงวนหลังเนี่ย พอมาเดินปุ๊บเนี่ยมันจะแค่เจอครั้งหนึงสองครั้งมันก็จะผ่านแต่ถ้าเรายังไม่ผ่านมันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ละวันมันจะเอาไว้ค้าล่ข้างล่างข้างล่างข้างลนี่ยนะมันก็บางทีมันแต่ละวันมันจะมีอยู่มันจะมีง่วงผ่านง่วงไปก็บางทีไม่ไม่เช้าก็บ่ายไม่บ่ายก็เย็นไม่บ่ายก็ตอนเย็นมันก็จะมีถ้าเราไม่ผ่านถึงจะทางมันก็จะทําได้มันก็จะมีเผลอหลับอยู่ บางทีวังวนก็เยอะบางคนก็ไม่เยอะบางคนก็มีครั้งเดียวจบไปเลยอย่างเงี้ยอาการเหล่านี้มันจะเป็นเพราะเพราะเราเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนไหวซ้ําๆแล้วเวลาที่ร่างกายมันอ่อนล้าเนี่ยเราก็ไปนั่งพอไปนั่งกับมันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีเมย์ค่อยๆให้เราไปพอมหลับไดง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บอย่างที่อาตมาบอกให้กลับออกมาเลยอย่าเดินให้มันขามันล้า มันเมื่อยแล้วก็จะไปนั่งถ้ามันมั่งเดินให้มันผ่านจากความเมื่อยล้านั้นมันจะไม่หลับเนอะถ้ามีอะไรไหมต้องลองทาดูนาะถ้ามีอะไรสงสัยไหมอัตมา ก, ก็พูดสปเ ป, ส ป, ปะสป่าไปนะเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอัตมาบอกตรงเลยว่าอัตมาไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาเลยแม้แต่นิดเดียวมันแล้วแต่ว่าจากม่ขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นก็เอานั้นแหละ เพราะมันเกิดขึ้นเองมันเป็นเองมันมันมีแล้วก็เราพูดจากที่เรามันปรากฏขึ้นเองเกิดอะไรขึ้นเราก็พูดอันนั้นอาจจะเอาหน้ามาหลังกอาลังมาหน้าเพราะมันตามแบรรยาของอาตมานะก็ฟังก็ต้องอย่าไปตั si ้งใจมากรู้ก็รู้เป no ็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันแล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีมันมีแต่หัวโล่งๆโปร่งๆมันอยู่กับโปร่งเบาสบายมันไม่รู้ไม่ด่วนมันก็มีแบบภาชนะไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อมูลแม้แต่นิดเดียว ไม่คิดว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรจะเป็นอะไรไม่มีมีแต่หัวโลงๆอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นของมันแบบนี้รัดเลยเขาบอกว่าเออความจับไม่ขึ้นมีอะไรพู๊ก็พูดแต่มันจ้เห็นตาพุ๊ถ้าเห็นยงเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่ยมันจะมีข้อมูลให้ตาเห็นปุ๊บมันจะบอกมาเออต้องอย่างนี้อย่างนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่เห็นมันก็อยู่ของมันไม่มีอะไร ถ้าเห็นว่าโอ้คนนี้ผิดนะทําอย่างนี้แบบแบบนี้เอ้ออาจจะเพ่งไปนะมันจะบอกมันพอไปบอกพวกนี้มันจะไหลมามันจะมันจะพูดพูดลผกมาให้เห็นพอพูดมันหมดเราก็เดินหนีถ้าต้องการแค่นั้นจบพอมันหมดมันไม่มีอะไรพูดเลยคือจุดประสงค์มันเป็นไปแค่นั้นไปอีกเดี๋ยวหลอย่างนั้นมันก็หมดอีกแต่เป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้มันเป็นมันเป็นแบบนี้ก็เลยบอกธรรมาก็พูดตามเหตุตามอาใจที่มันเป็นมันมีนะมันเป็นแบบ อาจจะเป็นสภาวะเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันสภาวะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเรารู้แต่ว่าทุกวันนี้มันอยู่กับความโปร่งเบสบายข้อมูลที่อยากให้มาที่นี่เนี่ยมันไม่มีวิตกวิจารณ์อะไรเลยมันไม่หวาดกลัวมันไม่มีมีก็มีพูดตามที่มีไม่มีก็ไม่มีทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ยอมรับในความจริงมันไม่ตัววิจารณอะไรหน้าที่ก็คือหน้าที่ทําได้ก็ได้แค่นั้นเองนะเอาวันนี้ก็ มาก็พูดเปพสบายไปก็อย่างอันไหนที่มันเป็นอันไหนไม่มันที่ที่วันมันเอาเป็นประโยชน์ได้ก็ลองลองดูนะลองกลับมาดูถ้ามันเป็นโปรงเมาสบายสาภาวะอะไรเกิดขึ้นให้กลับมาอยู่ความรู้สึกตัวและเปลนะ okay. ี่ยนแปลงนะถูกภานานี่มีสามอย่างเนาะมีปัสจุณ วิปัสนวิปัสนาเอาอันไหนดีไม่ต้องเลือกหรอกมีสามอย่างทุกคนนั่นแหละภาวนาใหม่ๆวิปัสสนึกเหลือเกินอันนี้ลูกอันนี้นามโอ้ยเราได้ธรรมะแล้วนีวน่วิปัสสนึกวิปัสนาเกิดขึ้นเมื่อเราทำถูกวิปัสนาเขเปรียบเทียบเหมือนแกงสักถ้วยมอร่อย เกิดประโยชน์แต่มันยังร้อนมันยังร้อนมันลวกปากมันมันสนุกกับความรู้มากไปมันตื่นทำกายเราตื่นทาการวิปัสสนุในวิปัสสนุเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนแกงร้อนตื่นทำในวิปัสสนุละเอียดป้าเข้าเบื้วิปัสสนุเนี่ยคนเก่าๆตะาวนามานะอัตมาสังเกตตัววิปัสสนุเนี่ยอัตมาไม่ค่อยไปแยกแยะเท่าไหร่วิธีสังเกตวิปัสสนุอัตมา อะไรที่เกิดจากปกติธรรมชาติอะไรที่เกิดจากพอดีอันนั้นล้วนไม่พอดีอันนั้นเป็นวิปัสสนุตมาสังเกตแค่ น, นี่ยแล้วทีดหลงังให้ค่อยเห็นอ๋ออาการนี้คืออาการนี้อาการนี้อาการนี้ค่อยไปเรียกรับติดหลงังในถ้าเราสัมผัสความปกติความเป็นธรรมชาติได้ชัดนะอะไรที่เกินจากนี่้เราจะไหวมากเราจะไม่หลงมายาของมันความปกติความธรรมชาติเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นเกิดจาก การสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวที่เป็นรู้ซื่อๆถ้าตัวนี้เราชัดตัวนี้เราแม่นยำสิ่งที่เกินไปจากนั้นเราจะเห็นไวมากเราจะแยกแยะออกยิ่งภาวนายิ่งละเอียดเข้านี้มายาจิตเหล่านี้พัฒนาตัวพิสดารจริงๆมั่นหลอกมันอธิบายมันบอกโอ้สาคัญมันหมายปรุงแต่งจิตเราเกินปกติไปมากมายเลยแต่ถ้าความรู้สึกตัวเบื้องต้น ควารู้สึกตัวที่อาศัยกายที่มันเป็นความรู้สึกตัวซื่อๆเนี่ยมันไม่ชัดพอไปข้างหน้าเราจะโดนมายาจิตเราเองนั่นแหละอกความสำคัญมันมีตรงนี้นดังนั้นวันนี้ทําความเพียรเพิ่มขึ้นนะทั้งคนที่อยู่ทางบ้านทั้งคนที่ภาวนาที่นี่วันที่สองที่สามเราเริ่มผ่านวิบอทเบื้องต้นแล้วทำให้มันยาวขึ้นอีกหน่อยเวลาอยากนั่งอยาเพังนั่งทุกลกักษณะถูก ความเผลอตัวความคุ้นชินของการเปลี่ยนตามอิทิยมบทตามความคุ้นชินเป็นตัวบงัวงทวนอิทธิยมบทหน่อยพรวงพ่อมหาพาพวกเราทําโดยการที่ให้เรานั่งแล้วเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาท่านให้ดูมันก่อนท่านยังไม่ให้เปลี่ยนถ้ายังทนได้ดูมันต่อไปรู้สึกตัวต่อไปทนไม่ไหวแล้วเราจึงค่อยเปลี่ยนตัวนี้มันเป็นทั้งความเพียรเป็นทั้งตัวสติเป็นการฝึกสติเป็นการดูสภาวะ เป็นทั้งความเพียรเป็นทั้งขันติทำทั้งหลายอยู่ในนั้นตอนนอาจามาภาวนาใหม่ๆอาจามาเคยจําคำห น, น, น, น, นึ่งอาจารย์จะสินตั้นสอนอาจารยมาเดินไปแล้วนะง่วงไหมโอ้ง่วงวันนี้ง่วงมากเลยอาจารมาหาเดินให้ผ่านนะของดีอยู่หลังจากง่วงของดีอยู่หลังจากฟุ้งของดีอยู่หลังจากมันปรุงธรรมะนะอ้าวปรุงธรรมะนี่ไม่ดีเหรอ เราเขาว่าได้ดีนะเดินไปนะี่โอ้โหเข้าใจาวิชาตัวเดียวนี้ขยายครอบจากขวานได้เลยไม่ของดีอยู่หลังจากนั้นของดีอยู่หลังจากนั้นแต่การที่จะแปล็คของดีได้ต้องทวนแบบอยากนั่งอย่าเพิ่งนั่งมันง่วงซึมๆอย่าไปนั่งหย่อนกายอย่ามั่งนั่งขยับเปลี่ยนจังหวะใช้ท่าเดิมแต่อย่าอยู่แบบเดิมเข้าใจคํานี้ไหมแล้วพ่อมาหาพาเปลี่ยนนะอยู่ท่านั่งท่าเดิม แต่ขยโยกเงีได้ขยับได้เปลี่ยนจังหวะการสร้างจังหวะได้แต่ยังไม่เปลี่ยนอย่างไม่ออกเุลาเดินเราเดินต่อเปลี่ยนจังหวะการเดินขยับเดินถอยหน้าถอยหลังใช้ท่าเดิมใช้ความเพียรทวนมันแต่อย่าไปซ้ำเดิมๆเกินไปวันนี้ตูหลอกดูนะ